การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานย่อมมีการเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากด้านสมาธิและด้านปัญญาอย่างแยกไม่ออกจึงได้นําเรื่องที่ควรคิดหรือเป็นตัวอย่างบางตอนของผู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติมาลงไว้ดังเรื่องของแม่ชีคนนั้นเป็นต้นที่นํามาลงนี้เพียงเอกเทศเท่านั้นไม่ได้กว้างขวางมากมายนะักดังที่ปรากฏกับท่านผู้ปฏิบัติเองเป็นเรายไป ที่มีนิสัยต่างๆกันการสนทนาธรรมของท่านจึงรู้สึกสลับซับซ้อนมากตามภูมิของผู้ปฏิบัตินั้นๆจะรู้เห็นไปในแง่ต่างๆกันปัญหาที่เกี่ยวกับสมาธิที่รวมลงแล้วมีลักษณะสแสดงออกอย่างไรในขณะนั้นบ้างรวมลงแล้วหยุดอยู่ในขั้นใดเช่นขั้นคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาบ้าง ขณะที่รวมลงเพียงขั้นอุปจาระจิตออกไปสัมผัสรับรู้กับอะไรบ้างซึ่งเป็นสมาธิที่มักมีปัญหามากกว่าสมาธิอื่นๆบ้างเหล่านี้เป็นแหล่งแห่งปัญหาที่ผู้ปฏิบัติอาจปรากฏเป็นบางรายแล้วนํามาสนทนากับหมู่คณะหรือครูอาจารย์ที่ตนเคารพเชื่อถือด้วยความจำเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับภูมินี้หรือภูมิปัญญาเป็นขั้นๆก็นามาสนทนาต่อกัน เพื่อทดสอบความรู้ความเห็นให้เป็นที่แน่ใจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้มาศึกษาไต่ถามก็แน่ใจว่าไม่มีความล่อแหลมต่อความผิดพลาดในบรรดาปัญหาที่สนทนาผ่านมาแล้วฝ่ายผู้ให้การศึกษาก็แน่ใจว่าปัญหาของท่านนั้นเป็นปลายในยร่องรอยเพื่อการถอดถอนกิเลสและเป็นเครื่องส่งเสริมในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ต, ต, ตามความจาเป็น ปัญหาเกี่ยวกับความติดขัดในการพิจารณาเพื่อผ่านไปเป็นพักๆนี้สำคัญมากขณะพิจารณานั้นจิตติดอยู่กับอะไรจะควรพิจารณาแก้ไขอย่างไรจึงจะถูกและจะผ่านไปได้คู่สนทนาหรืออาจารย์ต้องพยายามชี้แจงวิธีแก้ไขจุดนั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเพื่อผู้นั้นจะนำไปปฏิบัติถูกและได้ผลเป็นระยะไป ปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นแต่ลับปัญหาทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขั้นนั้นๆย่อมสร้างความหนักใจแก่เจ้าของได้พอดูนอกจากจะวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้วยังต้องอาศัยท่านที่เคยผ่านมาแล้วเป็นคู่ปรึกษาเป็นทอดๆไปเพื่อความแน่ใจในการปฏิบัติและปัญหาที่วินิจฉัยและปรึกษาเล่านั้นเป็นความมั่นใจด้วยเหตุผลสมบูรณ์แล้วด้วยเหตุนี้พระกรรมฐาน จึงมักมีการสนทนาธรรมกันอยู่เสมอเนื่องจากการปฏิบัติเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านสนทนากันอย่างถึงพริกถึงขิงถึงเหตุผลอัตถธรรมจริงๆนั้นท่านมักสนทนากันระหว่างสองต่อสองการสนทนาแบบนี้ต้องเป็นโอกาสเหมาะๆและนานๆท่านจะได้มาพบกัน ตึงต่างฝ่ายต่างมีความกระหายอยากฟังผลแห่งการปฏิบัติธรรมทางใจของการละกันการสนทนาจึงมักเริ่มต้นจากการปฏิบัติหนึ่งเริ่มจากที่เคยสนทนากันแล้วเป็นต้นปหนึ่งโดยฝ่ายหนึ่งเริ่มเรื่องของตัวจากลำดับดังกล่าวเรื่อยไปจนถึงปัจจุบันที่จิตกำลังเป็นอยู่ลำดับต่อไป ยังไม่มีโอกาสซักซ้อมปัญหาที่ผู้ฟังข้องใจผู้ฟังก็เริ่มเล่าเรื่องของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังต่อไปเริ่มแต่ต้นจนเต็มภูมิที่รู้ที่เป็นมาจากนั้นถ้าท่านผู้ใดยังข้องใจในแง่แห่งธรรมะหรือปัญหาที่มีแฝงอยู่ในธรรมะที่ฝ่ายหนึ่งเล่าให้ฟังท่านผู้นั้นก็สนทนาซักซ้อมความเข้าใจต่อกันต่อไปอีกจนเป็นที่ลงกันได้ด้วยความสนิทใจ อีกประการหนึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าปัญหาบางแขนงที่นํามาสนทนาต่อกันนั้นยังไม่เป็นที่สนิทใจของฝ่ายที่มีภูมิเนื้อกว่าก็อธิบายแนแนวให้ถ้าควรดัดแปลงแก้ไขก็อธิบายวิธีแก้ไขให้ฟังถ้าควรงดไม่ควรดําเนินวิธีนั้นต่อไปจะมีความเสียหายตามมาก็ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจ การสนทนาธรรมทางด้านปฏิบัติจึงเป็นมงคลทั้งสองฝ่ายตามความรู้สึกของผู้เขียนเราต่างฝ่ายต่างฟังกันด้วยความจดจอต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งการสนทนาและได้รับธรรมอนุสรจากกันไปเป็นที่ระลึกและปฏิบัติตามอย่างหาคุณค่าใดๆมาเทียบประมาณมิได้ความระลึกในบุญคุณของกันและกันก็ไม่มีเวลาสิ้นสุดตลอดวันตายไม่มีทางเป็นอื่น ขณะที่ท่านกาลังสนทนาธรรมกันบางครั้งก็ยังมีพระคิดดื้อไม่เข้าเรื่องเช่นผู้เขียนขโมยไปแอบฟังจนได้จะว่าผิดพระวินัยเราไปแอบฟังคำของภิกษุอื่นทะเลาะวิวาทกันปัญหานี้ก็ไม่เข้าในลักษณะ น, นั้นจึงพอเป็นโอกาสให้พระประเภทไม่เข้าเรื่องมีช่องทางแสวงหาธรรมะจากวิธีนั้นได้ขนาดนั้นและ คือเวลาเป็นทองเป็นธรรมะทั้งแท่งของทั้งคู่สนทนาทั้งผู้ไปแอบฟังยิ่งกว่าเวลาอื่นใดเพราะเป็นเวลาที่ทั้งสองท่านถ่ายทอดธรรมะออกจากดวงใจมาเป็นขวัญหูขวัญใจของกันและกันแม้ประเภทแอบฟังก็สนุกขโมยเก็บกวาดธรรมะจากท่านมาเป็นขวัญใจของตนต่อไปอีกต่อหนึ่งแบบนักปราดขโมยธรรมะซึ่งไม่ค่อยจะปรากฏมีมากนักในวงพุทธศาสนา แต่วงปฏิบัติทั้งครั้งพุทธกาลและสมัยปัจจุบันน่าจะมีแฝงอยู่บ้างเรื่อยมาเพราะเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากในธรรมสภาทั่วไปเนื่องจากธรรมะนั้นมีใช้ธรรมสภาที่ควรออกในที่สาธา ร, รณะแต่เป็นธรรมะที่มีอยู่เฉพาะของแต่ละารายจะหาโอกาสสนทนากันตามความถนัดใจเป็นบางการบางสถานที่และกับบุคคลบางคนเท่านั้น การสนทนาธรรมของบางท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสนทนากันนั้นกินเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะจบลงได้แต่ละฝ่ายเพราะเกี่ยวกับวิธีการบำเพ็ญสถานที่บำเพ็ญการแก้ปัญหาสำคัญลงได้แต่ละปัญหาซึ่งมีจำนวนมากต่อมากด้วยกันและเวลาเข้าใจธรรมะแต่ละขั้นหลังจะแก้ปัญหาสำคัญลงได้จึงเป็นเรื่องยืดยาวและสลับซับซ้อนมากกว่าจะพันนาเาเรื่องความเป็นมาของจิต แม้เพียงตอนสำคัญสำคัญจบลงก็ยังต้องกินเวลานานแต่ละฝ่ายเล่าก็ยังมีนัยยะแห่งการพรรณนาความเป็นมาของตนยืดยาวและสลับซับซ้อนคล้ายคลึงกันทั้งนี้เพราะเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเล่าในประเด็นสำคัญที่ควรเล่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจระหว่างเหตุกับผลว่าสมดุลหรือขัดแย้งกันประการใดบ้าง เนื่องจากผลแห่งธรรมทุกขั้นที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจำต้องแสดงถึงเหตุคือวิธีการดำเนินกำกับไปด้วยดังนั้นการสนทนาธรรมจึงต้องกล่าวถึงเหตุเป็นคู่เคียงกันไปจะเป็นฝ่ายใดรู้ฝ่ายใดเล่าก็ตามต้องยกเหตุคือการดำเนินเป็นเครื่องยืนยันและผลที่ได้รับขึ้นแสดงเป็นคู่เคียงกันไป ที่น่าฟังมากและจับใจไม่ลืมแม้วันตายก็ตอนท่านเล่าถึงขณะจิตที่พลิกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทันกับคนมารยาของกิเลสแต่ละประเภทแล้วผ่านพ้นไปได้เป็นระยะกับขั้นสติปัญญาพอตัวรู้เท่าทันราคะตัณหาแล้วจิตกับกิเลสประเภทนี้ขาดจากความสืบต่อกันไปในขณะนั้นและขั้นที่จิตมีกาลังเต็มภูมิแล้ว ความาวิชาซึ่งเป็นรากแก้วของวัตตะลงได้เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาส่วนมากทั้งท่านและเรามักจะตายเปล่าไม่เคยมีเสียงของท่านผู้ปฏิบัติแลรู้ธรรมะประเภทนี้มาผ่านหูเลยนอกจากเสียงอีโรโ ป, โปรเกที่เยียบย่าทาลายสุขภาพทางกายและทางใจดังเร า, เราๆท่านๆฟังกันอยู่ทุกวันนี้ จนเบื่อแทบอกแตกตายอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็อดพูดอดฟังกันไม่ได้เราเป็นประเภทอาหารก้นหม้อถ้าไม่ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไร